คำอนุโมทนาของเท้าส ก, กะเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นคำที่มีคติที่ลึกซึ้ ง, ง น, นีมีเนื้อหาอัตถะที่ลึกซึ้งย้ำอีกครั้งในว่าเมื่อพระองค์ทรงให้สิ่งที่ให้ได้ยากพระองค์นี้กระทําสิ่งที่กระทําได้ยากคนที่เป็นอสสัตบุรุษก็ทําตามได้ยากธรรมะของสัตว์บุรุษนําไปได้ยากคืออสสัตบุรุษปฏิบัติตามยากนั่นเอง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 ะที่พระโพธิสัตว์ให้ไม่ว่าจะให้บุตรให้พระยาเพราะฉะนั้นท่านนี้ได้ให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากมีพระยาเป็นต้นกระทาในสิ่งที่กระทาได้ยากนั้นพระสาวกพระปัจเจกพบพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เหล่าอื่นกระทำตามไม่ได้คือหมายถึงว่าคนทั่วไปธรรมดาเช่นว่าสาวกกับโพธิสัตว์ปจเจกกับโพธิสัตว์อ่โพธิสัตว์ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นสาวกหรือผู้ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็น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 ข้าพเจ้าขอถวายพระนางมัตสีอัครมเหสีผู้มีผวรกายงามพร้อมแก่พระองค์พระองค์เท่านั้นคู่ควรแก่พระนางมัตสีและพระนางมัตสีก็คู่ควรแก่พระองค์ผู้เป็นพระสวามีแล้วก็มอบพระนางมัตสีให้เสด็จประทับบนอากาศรุ่งโรจน์ไปด้วยอัตภาพอันเป็นทิพย์ดุจดวงอาทิตย์อ่อนๆประทับอยู่บนอากาศแสดงพระองค์ให้ปรากฏตามเป็นจริงว่า ข้าแต่พระราชฤาษีข้าพระเจ้าคือเท้าสักกะจอมเทพมายังสำนักของพระองค์ขอพระองค์จงทรงเลือกพรข้าพระองค์จะถวายพรแปดประการแก่พระองค์พระโพธิสัตว์ก็ขอพรแปดประการดังต่อไปนี้หนึ่งข้าแต่จอมเทพขอพระบิดาทรงแต่งตั้งข้าพระองค์ให้ดำรงอยู่ในราชสมบัติ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 อันนั้นก็คืออยากจะช่วยอยากจะสงเคราะห์อยากจะเกื้อกูลอยากจะนําประโยชน์ไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงข้อ 4. ขอให้ข่าพระองค์อย่าได้ล่วงเกินพริยาของผู้อื่นอย่าได้ล้อํานาจของสัตว์ทั้งหลายเลยนะเข้ามาเขาว่าถ้าเห็นพริยาของผู้อื่นที่งดงามเป็นต้นขออย่าได้ล่วงเกินพริยาของผู้อื่นเลยข้อ5ขอให้โอรสของข้าพระองค์มีอายุยืนนาน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 ท่านไม่น่าจะต้องมาเศร้าหมองแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลทุกครั้งขออย่าได้เศร้าหมองในภายหลังขออย่าได้ลาบากใจในภายหลังเพราะนั้นบุญที่ทำไปแล้วก็ขอให้เป็นบุญที่ทำไปดีแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยพอปลูกพืชคือบุญสำเร็จแล้วก็ไปคุยเอ า, มาเมล็ดพืชคือบุญเนี่ยคืนหมดอันนั้นท่ง น, นี้ก็เสียหายนะ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 ท้าวส ก, ก่าก็ตรัสว่าในไม่ช้าพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชบิดาจากเสด็จมาณที่นี้รับเอาพระองค์ไปดำรงในราชสมบัติอันหนึ่งความปรารถนาทั้งหมดของพระองค์จักถึงที่สุดพระองค์ยาปริวิตกคืออย่าลำบากใจไปเลยขอพระองค์ยาได้ประมาทนีนะก็หมายคำว่าขอให้รักษาคุณงามความดีเหล่านี้ต่อไปอย่าได้เปิดโอกาสให้บาปและอกุศลทั้งหลาย ครั้นประทานโอ ว, วาทแล้วก็เสด็จ ก, กลับเทวโลกทันทีพระโพธิสัตว์และพระนางมัสีก็เบิกบานบันเทิงใจประทับอยู่อาสมที่เท้าสักกะประทานให้ฝ่ายชูชกละ่ะเมื่อชูชกพาสองกุมารไปทวยเทพก็ทำการอารักขาทุกๆวันนะทุกๆวันจะมีเทพพธิดา น, นะกับเทพพระบุตรเนี่ยแปลงเพศมาดูแลสองกุมาร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 ก็เลยจัดกองทัพใหญ่12บออักโคพินีเนี่ยนะก็คือเรียกว่ารวมกองทัพใหญ่มากเลยมุ่งพระพักไปยังภูเขาวงกดพร้อมด้วยพนางพุทดีเทวีและสองกุมารอันนะั้นเรียกว่ามีสองกุมารเป็นคนพาไปเสด็จไปถึงโดยลำดับก็เข้าไปหาพระโอรสและพระสุนิสาคือสภัยพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นปียบุตรไม่สามารถจะอดกลั้นความโศกก็สลบล้มลงณนะบนนะารรณศาลานั่นเอง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 กษัตริย์และอมตะฟื้นจากสลบก็บรรดาให้ฝนบกครพัทตกลงมาผู้ประสงค์จะให้เปียกก็เปียกลุดฝนตกลงในใบบัวก็กลับกลายเป็นน้ำไหลไปทั้งหมดก็ฟื้นขึ้นมาแม้ในครั้งนั้นความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นก็มีแล้วอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระชนกชนนีเข้าไปหาอนันเสเ็จเข้ามาในพร้อมกันในป่าใหญ่ ทรงการแสงสะอึกสะเอิญหน้าสงสารตรัสถามถึงสุขถึงทุกข์แก่กันและกันอยู่เราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีทั้งสองผู้เป็นที่เคารพด้วยหีริและโอตาปะแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาสิเนรุราก็หวั่นไหวคำว่าฮีโร่ตับเปนะขรุณาอุพินังเราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีผู้เป็นที่เคารพด้วยหีริและโอตปะ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 งดงามดังเทวราชเอาไว้ในราชสมบัติพร้อมกับพระนางมัสซสีเทวีทันใดนั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นพร้อมด้วยเสนาสีเหล่านะนะมีประมาณ12สองอโคพินีพร้อม เ, อเวดล้อมด้วยพระออรสรับสั่งให้ตบแต่งหนทาง6กโยต์ตั้งแต่เขาวงกดถึงกรุงเชตุดอนเสด็จเข้าไปสู่พระนครโดยสวัสดีะนะใช้เวลาเดินทางสองเดือน ก็คือเดินทางวันละ16กิโลเมตรไปเรื่อยๆเนี่ยนะสองเดือนก็ถึงเมืองมหาชนได้เสเวยปีติโสมนัสเป็นอันมากต่างก็โยกผืนผ้าเป็นต้นโบกไปมาเที่ยวประโคมนันทเพรีเรียกว่ากรลองแห่งความยินดีกรลองแห่งความบันเทิงก็ตีไปทั่วพระนครสัตว์ทั้งปวงโดยที่สุดแมวที่อยู่ในเครื่องผูกมัดก็ได้พ้นจากเครื่องผูกมัดสุนัขถูกล่ามโซ่ก็หลุดหมดตัวนัน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 อาสนะของเท้าสา ก, ก, ก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้าเธอรำพึงอยู่ทราบเหตุนั้นแล้วทันใดนั่นเองทรงบันดาลให้สิ่งของที่มีอยู่เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นในตอนต้นตอนหลังเนี่ยในพระราชินิเวศก็เต็มประมาณเอวประทานให้ฝนตกเนี่ยดุดก้อนเมฆ ก, ก็คือให้ฝนรัตนะเจ็ดประการตกทั่วพระนครสูงปานเขา่าเนี่ยนะ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 เมื่อเราอายุได้แปดขวบเกิดอัธยาศัยในการให้ทานว่าเราพึงให้แม้หัวใจและเนื้อเป็นต้นแกยาจกทั้งหลายอันนี้แผ่นดินก็ไหวครั้งแรกครั้งที่สองเมื่อให้มงคลหัตถีแผ่นดินก็ไหวครั้งที่สามเมื่อให้ครั้งใหญ่อะนะสัตสกมหาทานแล้วก็ถูกขับไล่ตอนนั้นก็แผ่นดินไหวครั้งที่สี่ก็ให้บุตรครั้งที่ห้าให้พระยา ครั้งที่หคราวที่พญาตเข้าไปถึงท่านตั้งฮิริโอตาปะในพระราชบิดามารดาอันนั้นแผ่นดินก็ไหวคราวที่มาสู่พระนครแผ่นดินก็ไหวคราวมาสู่พระนครแล้วก็ฝนรัตนตกอนะนี้แผ่นดินไหวก็รวมเป็นเจ็ดครั้ง พระโพธิสัตว์บริจาคมหาทานตราบเท่าพระชนมายุเป็นเหตุปรากฏความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นเจ็ครั้งในอัตภาพเดียวเท่านั้นสวรรคตจากชาตินั้นก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นพระเวสสันดรมหาราชผู้เป็นกษัตริย์มีพระปัญญาพระราชทานมหาทานครั้นสวรรคตแล้วก็อุบัตในสวรรค์เ น, นี่ยนะพระนางอมิตต า, ตาปนาก็คือใคร นางเจนจามานะวกาหญิงที่ไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่ามีท้องนะในพรานเจตบุตรก็คือพระฉันนะอจจุตดาบทฤษีก็คือพระสารีบุทเท้าสกะคือพระนุรุทธะพระนางมัสย์ก็คือพระพระมารดาของพระราหุนชาลีกุมารคือพระราหุนกัญหาชินาก็คือนางอุบลวานาพระชนกก็คือมหาราชคือพระเจ้าสุโธธนะ บริษัทที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทพระเวสสันดรก็คือพระโลกกนาาพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกคุณอนุภาพของพระมหาบุรุษในชาตินี้เนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์หลายอย่าง น, นะเช่นมหาปฏพีแผ่นดินไหวนี่ถึงเจ็ดครั้งด้วยกันอันนี้คุณธรรมที่เห็นเห็นเลยก็คือแผ่นดินไหวเ็ครั้งใช่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 ในขณะประสูตรนั่นเองพระองค์เหยียดพระหัตถ์แล้วเป่งวาจาว่าหม่อมชั้นจะให้ทานสแม่มีอะไรบ้างจะให้ทานและต่อไปเมื่อพระพระองค์มีพระชนได้สีห้าพันสาความที่พระองค์นี้มีพระประสงค์จะให้เครื่องประดับของพระองค์แก่พระแม่นมทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งความเป็นผู้เลิศเนี่ยนะก็ให้เครื่องประดับมีกี่ชิน้นกี่ชิ้นก็ให้เขาไปหมดเมื่อายุแปดพันสาก็ น้อมไปเพื่อจับบริจาคชีวิตเป็นต้นเนี่ยนะป ร, ระสงค์จะให้อวัยวะของพระองค์มีเนื้อหัวใจเป็นต้นสรุปว่าท่านผู้สแสวงหาคนอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาอย่างนี้แม้เพียงจิตที่เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกนะถ้าเลื่อมใสศรัทธาก็พ้นจากทุกสามารถเกิดในสุขติโลกสวรรค์ได้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 เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็พ้นไปจากทุกข์พันเราทั้งหลายหลายท่านฟังมาแล้วบอกว่ายังทำไม่ได้ก็ฟังไม่ได้ฟังเพื่อให้ไปบริจาคแบบนี้เพราะบริจาคไม่รู้ใครจะเอารอเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเราก็ยังจิตให้เลื่อมใสอนุโมทนากับพระโพธิสัตว์ท่านเธอเนี่ยนะแล้วก็จะได้ระลึกถึงว่า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 อันนะั้นกุศลลดลงทําไงดีถ้าศรัท ธ, ธาของเราในพระพุทธเจ้าลดลงสแสดงว่าเราก็น่าเป็นคนที่น่าสงสารมากเนี่ยนะพระองค์บําเพ็ญบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดศรัท ธ, ธาของเราก็ยังไม่เป็นที่ตั้งแห่งปีติและปราโมทนี่ตั้งใจว่าเมื่อไหร่นะได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติเลยทุกครั้งไปเนี่ย น, นะเมื่อไหร่จะทําได้อย่างนั้นเนี่ยนะพอได้ยินอรหังตั้บปีติตื่นขึ้นมาเลยอย่างนี้ไหมเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้สักทีหนึ่งเนาะ อารหังง่วงซึมทุกครั้งไปถ้าอย่างนี้ก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะพันก็เมื่อใดนะสัมมาสัมพุโทโธก็ปีติและปราโมทได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติและปราโมทปีติและปราโมทเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์ด้วยบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจฟังศึกษาเจริยาปิฎกเหล่านี้บุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อแต่สรุปรำตามพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านก็ขออนุโมทนา